อ้านะครับคำถามข้อแรกนะครับได้วิจารณาไปเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับคําถามข้อที่2นะครับแม่ค้าถามว่าเพราะอะไรถึงทําความดีทําคุณคนไม่ขึ้นเลยช่วยคนต้องเยอะแยะแต่ว่าไม่ได้รับความช่วยเหลือกลับมานําซ้ํายังถูกนินทากลับมาอีกมันเป็นเพราะอะไรแล้วต้องแก้ไขประมาณยังไง ในในคำสามที่สองที่บอกว่าเพราะอะไรถึงทําให้คนทําบุญคนไม่ขึ้นแล้วก็ต้องทําไปถ้าสักเยอะแยะแล้วก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือกลับมาเลยน้าซ้ํายังถูกนินทากลับมาเสอีกเออตรงตรงนี้เนี่ยให้ให้เราแยกก่อนนะแยกแยะให้ชัดตรงเนี้ยที่เราบอกว่าช่วยเหลือคนเนี่ยในคําว่าช่วยเหลือคนเนี่ยเป็นกุศลใช่ไหมเป็นบุญ ทีนี้มาแยกแยกแยะให้ชัดว่ามันเป็นบุญขึ้นจริงๆหรือเปล่าคําว่ากุศลคืออะไรกุศลก็คือสภาวะทิใจเนี่ยใสยสะอาดผ่องแผ้วไม่มีของเสียไม่มีโรคเนี่ยเขาเรียกว่ากุศลและตัวบุญคืออะไรธรรมชาติใดนะที่ ช, าชําระจิตใจตัวเองให้สะอาดธรรมชาตินั้นเรียกว่าบุญถามว่าในขณะที่เราทําบุญเนี่ยเรามีความสะอาดผ่องแผ้วเกิดขึ้นสภาวะนั้นเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่า เนี่ยประเด็นที่หนึ่งนะเมื่อเราเข้าใจตัวกุศลและกุศลอกุศลแล้วเนี่ยให้เราไปมองย้อนกลับไปว่าบุคคลบุคคลที่เราบุคคลที่เราทําด้วยเขาเป็นคนมีทัศนคติยังไงมีความเห็นยังไงเป็นคนอักตันยูไม่เป็นคนอักตันยูถ้าเกิดว่าเราทําบุญไปช่วยเหลือคนอักตันยูต่อให้โยมเนี่ยยกโลกทั้งใบให้คนที่อักตันยูเขาก็ไม่เห็นคุณเนี่ยเข้าใจนะเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราทําบุญ โดยปกติแล้วเนี่ยกรรมที่เราทำจะให้ผลอยู่4อย่างสี่ระดับสีระดับในตอนที่เราทำความดีในตอนที่เราทำความดีกรรมนั้ น, น่ะจะให้ส่งผลดียังไงตอนที่ทำกุศลเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นสภาวะจิตใจที่ใสสะอาดจิตที่ผ่องแผ้วไม่มีของเสียไม่มีโรคเนี่ยเป็นต้นใช่ไหมจิตอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นผลของกรรมที่เราทาแล้วนิประการที่หนึ่งก็คือให้ผลทางด้านจิตใจ ให้ผลทางด้านจิตใจอ่นในประการที่สองเมื่อจิตใจเนี่ยมีความผ่องแผ้วสะอาดแกล้ากล้าอาหารพ์เนี่ยเป็นต้นไม่มีของเสียไม่มีโรคเนี่ยจิตใจที่ดีเหล่านั้นน่ก็ส่งผลแก่บุคลิกภาพสีหน้าแววตาออกมายิ้มแย้มแจ่มจใสนี่เป็นประการที่สองอาราประการที่สคืออะไรประการที่สบุญนั้นก็ส่งผลให้ได้อะไรได้ มีลาบเสื่มลาบมีเออทาให้ได้ลาบบ้างได้คําสรนเสริญบ้างเวลาบุญนั้นเวลาจะให้ผลนะก็ให้ให้ผลเป็นเงินทองบ้างให้ได้รับคําชมบ้างได้ยศได้ตําแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์นี้เป็นต้นเนี่ยบุญว่ากรรมที่ที่จะส่งผลในระดับที่สามเหม็นไมในระดับที่สี่ก็คือจะส่งผลในระดับสังคมแปลว่ากรรมที่ดีของเราเนี่ยสามารถ เส่งผลไปถึงพ่อไปถึงแม่ไปถึงญาติพี่น้องปู่ย่าตายายหรือสังคมแวดล้อมเขาได้รับผลบุญของเราทั้งหลายเหล่านั้นอันนี้ไม่ใช่แค่บุญอย่างเดียวนะบาปก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าบาปนั้นนะให้ผลนะมันจะให้ผลลักษณะนี้เวลาความโกรธสมมุติว่าความโกรธคือธรรมชาตินะ่ะธรรมชาติของความโกรธเกิดขึ้นปุ๊บมันจะเผารนในใจเราก่อนมันจะเหมือนไม้ขีดไฟอ่ะที่มันเผาตัวเองก่อนเมื่อเผาแล้วเนี่ยมันก็ไปเผากองขยะไปเผา ไปเผาบ้านไปเผาเมืองไปเผาประเทศวา่างทีนี้คือความโกรธใช่ไหมให้ผลทางด้านจิตใจก่อนต่อไปมันก็จะให้ผลทางด้านบุคลิกภาพสีหน้าแววตาเวลาความโกรธเกิดขึ้นมาก็นหน้าบึง้งปั้นปึงเครียดวิตกกังวลกลุ่มเนี้ยสีหน้าแววตาเนี่ยออกมาแม่เขาเรียกว่าบุญไม่รับบุญไม่รับประการที่สเวลาบาปนั้นให้ผลก็คือทําให้เป็นคนเสื่อมลาบ เป็นคนโดนนินทาเป็นคนอำนาจลดนี่ไงทำให้เสียทรัพย์เป็นต้นในประการที่สี่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราสังคมสิ่งแวดลอ้อมของเราได้รับผลกระทบจากความโกรธนั้นด้วยเนี่ยเป็นต้นบุ ญ, บญหรือกรรมกรร ม, กรรมดีและกรรมชั่วเนี่ยเป็นกลางๆคำว่ากรรมตัวนี้เป็นกลางๆไม่ไม่เอียงไปทางท่านดีไปทางท่านเสียแต่เราจะเข้าใจว่ากรรมเนี่ยเป็นทางด้านอากุศลอกุศลแ ล, ก, ล, แลกรรมอย่างเดียวแต่ให้เข้าใจนะ เวลากรรมส่งผลเนะี่ยมันจะส่งผลได้ไม่เกินสีระดับนี่แหละเอาละทีนี้ทีนี้ว่ากันว่ากันทีระดับนะในระดับที่หนึ่งคือด้านจิตใจในระดับที่สองก็คือด้านบุคลิกภาพในตอนที่เราคิดว่าเราทำดี mm hmm. ใช่จิตที่ดีก็เกิดขึ้นบุคลิกภาพที่ดีก็เกิดขึ้นชื่อว่าตอนนั้นกรรมที่ดีได้ส่งผลหรือยังได้ส่งผลแล้วเนี่ยถ้าใครบอกว่าฉันทาดีไม่ได้ดี หรือว่าทำทำชั่วมันก็ได้ดีถมไปอะมองกันอย่างงี้นะแต่พอมาถึงในระดับที่สามในระดับที่สี่เนี่ยมันอาศัยเหตุปัจจัยหลายอย่างอย่างเช่นเราไปทําดีกับคนที่เขาอากาตตนอยู่เราไปทําดีกับเจ้านายที่เขาไม่ชอบเราใช่ไหมทําความดีให้ตายก็ไม่ส่งผลเอาอย่างเงี้ยอย่างเช่นมาเนี่ยบวชมาไม่นานใช่ไหมโอ้คิดว่าตัวเองมีบุญมากใช่ไหม เ อ, อไปบินธบาตกลางทุ่งดูสิอตามาจะได้บุญไหมอตามาจะได้บินธบาติไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรความดีมันยังไม่ส่งผลไงความดีไม่สามารถจะส่งผลให้เขาเรียกว่าปฏิรูปประเทศไม่เหมาะสมนะไม่ได้อยู่ในถิ่นที่เหมาะสมแต่เพราะอะไรทียตามามาบินธบาตแล้วได้ของเนี่ยก็เพราะว่ามีโยมอยู่ไงมีคนใช่ไหมเออเราให้พิจารณาด้วยว่าเหตุปัจจัยมันถึงพร้อมมูลไหม เหตุปัจจัยในที่นี้คือเราจะได้รัพ์จะได้คำสรรเสริญเนี่ยที่บอกว่าที่บอกว่าออทาบุญคนไม่ขึ้นทำบุญคนไม่ขึ้นเพราะว่าทำไมกันเพราะอะไรเพราะว่าเราไปหวังเนี่ยไปหวังบุญในระดับที่สามในระดับที่สี่แต่ขนาดเดียวกันที่เราทำบุญเนี่ยระดับที่หนึ่งระดับที่สองมันให้ผลแล้วนะแต่ว่าเรามองข้ามมันใช่เรามองข้ามมันเราไปเราไปอยากได้ ในระดับที่สามในระดับที่สีก็คืออยากได้คําสรรเสริญ อ, อยากได้ยศอยากได้ทรัพย์อยากได้อะไรก็ว่าไป เ, าเป็นต้นอันนี้พอจะเคลียร์ไหมเออมาพูดถึงเรื่องการดินทานะมาพูดถึงเรื่องการดินทาใช่ไหมที่บอกว่าโยมเขาบอกว่ายมเขาช่วยเหลือคนเยอะเหลือเกินแต่ว่าเอานาซ้ำเนี่ยยังถูกดินทากลับมาด้วยเดี๋ยวจะขอยกพุทธพจน์เลยนะ อาตมาจะไม่อธิบายแต่ว่าจะขอยกพุทธพจน์ชัดๆเลยเดี๋ยวจะเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องหนึ่งสมัยพุทธกาลมีอตุลละอตุลละนายอตุลละเนี่ยเป็นอุบาสกในพุทธศาสนานับถือพุทธศาสนามีบริวาออมีเขาเรียกว่ามีเพื่อนห้าร้อยคนมีบริวารห้าร้อยคนเข้าไปเฝ้าที่นี้เนี่ยอยากจะฟังธรรม ท, ทีนี้อตุลละเนี่ยเข้าไปเข้าไป เขาไปหาพระเรวตะพระเรวตะเนี่ยชอบนั่งอยู่ในฌานเมื่อนั่งอยู่ในฌานแล้วก็ไม่ตรัสอะไรไม่พูดอะไรเลยนั่งเงียบอยู่อย่างนั้นอนตุลักษณ์ก็ไม่ได้ไม่ได้ฟังทำอะไรเลยโกรธทีนี้ไปไหนต่อไปหาพระสารีบุตรพระสารีบุตรที่เป็นเอ่อเป็นอั克拉สาวกเบื้องขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ่ะมีปัญญามากมีปัญญาเหมือนน้ามีปัญญาเหมือนมหาสมุทรทีนี้เวลาที่พระสารีบุตรเนี่ยเทศออกมาใช่ไหม สาธยายทำสาธยายทำออกมาแบปุ๊บๆๆๆเร็วมากเยอะมากพูดอย่างเยอะเลยแล้วพูดเป็นปรมัตา ธ, ธรรมอตุละไม่สามารถเข้าใจได้พูดโอ้โหพูดแต่เรื่องสภาวะสภาวะเนี่ย ก, กุสลาธรรมมากุศลาธรรมมาเนี่ยเป็นต้นโอ้หพูดปุ๊บๆๆอตุละกโกรธโกรธอีกแล้วต่อมาเนี่ยเข้ามาหาพระอา น, นุนแล้วก็มาเล่าให้ฟังเนี่ยกับผมเนี่ยไปหาพระเรวตะมาแล้วไปหาพระ ภาษาลีบุตรมาแล้วพระเรวตะไม่พูดอะไรเลยส่วนภาษารีบุตรพูดมากเกินไปผมโกรธผมจึงมาหาท่านนี่แหละอ้าวแล้วมาหาอะไรแล้วมหาพาระอรนุลพระนุเนี่ย เ, เป็นผู้ทรงเป็นหูสูตรพระนเนี่ยเรียนธรรมะจากพุทธเจ้ามาเยอะมากพระไตพปิดกที่เราเรียนเนี่ยมาจากพาระอนุลเนี่ยสองหมื่นแปดหมื่นสี่แปพันพระธระรมขันเนี่ยเรียนมาจากพาระอนุลพระนเนี่ยเป็นคนที่ผู้สูตรู้ว่าอะไร เ ป, เป็นการไม่ใช่การใช่ไหม mm hmm. เห็นว่า เ, ออเราควรจะพูดแต่พอดีพูดแต่น้อยน้อยให้เข้าใจง่ายเจาะลงไปในประเด็นแล้วเข้าใจได้เลยเนี่ยพระอานุ์พูดปุ๊บพูดน้อยแต่เจาะลงเข้าไปในประเด็นถามว่าอตุ ล, ละเนี่ยโกรธอยู่อีกไหมโกรธโกรธเพาอะไรบอกว่าพระอนุ์เนี่ยพูดน้อยพูดน้อยเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยจะได้หมดเรื่องไปเลย เข้าเฝ้าพททุทธเจ้าไปเลยทีนี้ก็ไปเล่าเรื่องทั้งหมดให้พุทธเจ้าฟังเนี่ยพุทธเจ้านีบอกพุทธพจน์อย่างนี้นะที่บอกว่าปุรานเมตังอตุลลาเนตังอชตานะมีวานินทันตีตุนหิมาสินังนินทันตีภุพานินังเนี่ยเป็นต้นยาวกว่านี้นะบอกว่าอตุลลา การนินทาและสรรเสริญสรรเสริญนั่นน่ะเป็นของเก่านั่นไม่ใช่นั่นไม่ใช่เป็นเหมือนมีในวันนี้ชนทั้งหลายย่อมนินทาผู้นั่งนิ่งบ้างย่อมนินทาผู้พูดมากบ้างย่อมนินทาผู้พูดพอประมาณบ้างผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกผู้ถูกนินทาโดยส่วนเดียวหรือว่าผู้ที่ถูกนินทาโดยส่วนเดียวหรือว่าผู้สรรเสริญโดยส่วนเดียวแล้วไม่มีแล้ว ไม่มีจักไม่มีก็คือต่อไปจะไม่มีและไม่มีอยู่ในบัตรนี้หากว่าวินยูชนใดเนี่ยใคร่ครวญอยู่แล้วก็ ส, สรรสรรเสริญผู้ใด ấy, ซึ่งไหมซึ่งมีความประพฤติไม่ขาดสายมีปัญญาผู้ตั้งมั่นด้วยปัญญาและศีลใครเล่าย่อมควรจะเพื่อติดเตียนผู้นั้นได้เป็นต้นนะโดยใจความก็คือมันไม่มีหลอกที่พวกเราเนี่ยจะโดนนินทากันฝ่ายเดียว ไม่มีหรอกที่เราจะโดนสันเสริญกันฝ่ายเดียวไอโ้โรคโลกระเนี่ยโกรกธรรมเนี่ย8อย่างมีอะไรบ้างมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศนินทาสันรเสริญสุขทุกข์8อย่างเนี้ยเราเจอกันทุกวันทุกวันใช่ไหมแต่พอมาเจอคนเขานินทาโอาเราก็เครียดวิตกกังวลกลุ้มบ้างใช่หเวลามีคนชมปุ๊บเราก็กำนัดยินดีเพลิดเพลิน ใช่ไหมเอาวิธีการวิธีการที่จะวางใจต่อสถานการณ์อย่างนั้นอ่ะเขาให้ทํำยังไงเขาให้ทํำยังไงเพราะว่าอะไรในเมื่อนินทาก็หนีไม่ได้สรรเสริญก็หนีไม่ได้ในเมื่อยังมีขันห้าอย่เราต้องมานั่งต้องมานั่ ง, ง, ม, งมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์กอยู่ว่าอยู่ร่ําไปอ๋อไอโลกาธรรมนั่ก็คือขันห้าที่เองเอางี้วิธีการก็ไปพิจารณานะสำหรับโยมเนี่ย ที่โดนนินทาวิธีการพิจารณาเนี่ยให้คิดอย่างนี้ว่าในเมื่อคนนินทาเราจะโดนนินทาอย่างเดียวก็ไม่ได้ใช่ไห ม, ไมก็ไม่มีคนที่โดนสันเสริญอย่างเดียวก็ไม่มีเนี่ยไปดูเจาะตัวบุคคลผู้บุคคลนั้นน่ะเขานินทาเราด้วยอะไรผู้บุคคลนั้นเขาสันเสริญเราด้วยอะไรอ้าวอย่างเช่นเขานินทาเราด้วยความโกรธเขาสรนเสริญเราด้วยความโลภเพราะว่าหวังผลประโยชน์ใช่ไหม เมื่อเจาะลงไปกระบวนการความคิดรกระบวนการความคิดแล้วเนี่ยก็เข้าใจว่าอ๋อเออในในเดี๋ยวขอเสริมอีกนิดหนึ่งก็คือในพุทธพจน์ที่มีต่อไปเขาแยกกันอย่างนี้คนอันธพาลเขาจะพูดอะไรก็ได้คนอันธพาลจะนินทาก็ได้จะสรรเสริญก็ได้แต่ว่าคนที่คนที่เป็นวินยูชนหรือเป็นคนที่เป็นบัณฑิตจะนินทาอะไรก็มีเ้ามูล จะสรนเซิร์นอะไรก็มีประโยชน์ใช่ไหมอาเราจะวางใจเราจะแยกแยะยังไงอันธพานอันธถานนะเดี๋ยวจะแยกสัพท์คําว่าอันทะอันทะคือว่าอันธถานอันทภาระปุตุชนเนี่ยคำว่าปูถู่แปลว่าหนาอันทะแปลว่ามืดบอดภาระแปลว่าโง่เข่าในี่บอกว่าอันธพานแปลว่าชนผู้มืดบอดและโง่เข่าอย่างนั้นหนา เนี่ยใช่ไหมเวลาที่อันถานเวลาจะพูดก็ดีจะทำก็ดีหรือจะคิดก็ดีเขาก็คิดด้วยโลภะโทสะโมหะอย่างบัณฑิตเวลาจะคิดก็ดีจะพูดก็ดีจะทำก็ดีเนี่ยเขาก็พูดด้วยเขาก็พูดด้วยกุศลเขาก็ได้คิดด้วยกุศลเขาก็ทำด้วยกุศลก็คือตัวทด้วยศีลสมาธิปัญญาให้มองกันอย่างนี้นะถ้าเราโดนนินทาก็ต้องจอกไปว่า เขานินทาคนที่นินทานั้นเขาพูดด้วยความโกรธหรือว่าเขาเขาพูดด้วยอะไรถ้าเขาสรนเสริญเราก็พูดด้วยความความหลงมันแย่ทั้งสองอย่างเลยนะมันแย่ทั้งสองอย่างอ๋อเราก็เข้าใจว่าอ๋อท่านผู้นี้ขับเคลื่อนวาจาด้วยความโกรธท่านผู้นี้ขับเคลื่อนวาจาด้วยความอยากได้อ๋อให้ให้มีความเข้าใจเมื่อเมื่อมองไปลักษณะนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรน่าแปลกใจอ๋อเมื่อความโกรธเกิดขึ้นเมื่อความโลภความต้องการเกิดขึ้นไอ้ตัณหา ทั้งหลายเนี่ยไอความโทสะทั้งหลายเนี่ยมันก็ใช้เราเบังคับให้เราเนี่ยพูดจาว่าร้ายใครใช่ไหมไปพูดจาเยินยอใครก็ได้เนี่ยให้เราเข้าใจอย่างเงี้ยหน้าที่ของตันหามันมีอย่างนี้อา้าวแต่ถ้าวินยูชนคนที่เป็นบัณฑิตคนที่มีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจะกล่าวตำหนิก็ดีจะกล่าวสรรเสริญก็ดีขอให้คิดว่านั่นแหละคําตำหนินั่นแหละคือคําตำหนีที่เราควรปรับปรุงแก้ไขส่วนคําสรรเสริญเนี่ย อ๋อนั่นแหละอ๋ออ๋ อ, อดีเราจะได้อ๋อเป็นข้อดีให้เราได้กําลังใจและจะได้ยิ่งพัฒนายิ่งขึ้นไปเนี่ยให้เราทั้งหลายเราท่านทั้งหลายเนี่ยให้วางใจต่อโลกธรรมในลักษณะนี้อันนี้พอจะเคลียร์ไหมเนี่ยสร็จสรุปประเด็นก็คือการทําช่วยเหลือคนนะเราก็ต้องการให้ทานเนี่ยเราก็ต้องวิจัยวิจัยแยกแยะให้ชัดว่าบุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั้น เขามีเขาขับเคลื่อนวาจาขับเคลื่อนก า, การกระทำขับเคลื่อนขับเคลื่น อ, อมนมโนกรรมเนี่ยยังไงเขาคิดยังไงมีทัศนคติยังไงมีมีการมองโลกยังไงก็ให้เข้าไปดูเข้าไปเจาะเนี่ยอย่าอยู่แบบมึนๆอย่าอยู่แบบไม่รู้เรื่องใช่ไหมเข้าไปเจาะถึงกระบวนการความคิดของเขาเมื่อเราเข้าไปศึกษาบุคคลทั้งหลายแล้วเนี่ยเราก็จะได้อะไรประโยชน์ที่เราได้เบื้องต้นก็คือปัญญา ปัญญาเนี่ยถามว่าเราสามารถเกี่ยวข้องกับคนที่ทุจริตแล้วก็เอาประโยชน์ได้สามารถเกี่ยวข้องกับคนที่สุจริตก็ไม่ต้องพูดถึงสามารถเอาประโยชน์ได้สามารถเอาประโยชน์ได้ทุกๆสถานการณ์เลยเพราะอะไรเรามีคำพระ ม, มีพระธรรมคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นเหมือนมคคุเทศนําทางในทุกๆ ก, กระแส ช, ชีวิตที่เราต้องไปเจอต้องไปประสบเนี่ยเป็นต้นเมื่อกี้สรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือความดี4ี่ระดับ แล้วก็ให้พิจารณาถึงตัวบุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องอเข้าใจนะเคลียร์ไหมเคลียร์ไหมเป็นประโยชน์ไห ม, หมนะก็อีก20นาทีเนาะน่าจะสมควรแก่เวลาแล้วนะะเดี๋ยวคำถามที่เหลือจะมาตอบกันอาทิตย์หน้าดีไมโยม